115 วัชาทิวัสโสปคคมนะว่าด้วยการเข้าจําพรรษาใน ข้อโขย้ายไปภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต 116 วัสสานุปคันตัพพฐานว่าด้วยสถานที่ไม่ ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเข้าจําพรรษาเรื่องเข้าจําพรรษาบนขาคบไม้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าจํา ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายภิกษุไม่พึงเข้าจําพันษาบนข้าคบไม้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้า ภิกษุไม่เผิงเข้าจําพันษาในที่แจ้งรูปใดเข้าจําต้องอาบัติทุก ภิกษุไม่มีเสนาสนะไม่เพ่งเข้าจําพันษารูปใดเข้าจําต้องอาบัติทุกกฎเรื่องเข้า ภิกษุไม่เพลืองเข้าจําพันษาในกระท่อมผีรูปใดเข้าจําต้องอาบัติทุกกฎเรื่องเข้าจําพันษาในร่มสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าจําพันษาในร่ม ภิกษุไม่พึงเข้าจำพรรษาในร่มรูปใดเข้าจำต้องอาบัติ ภิกษุไม่พึงเข้าจําพันษา 117 อะธัมมิกกัตติกาว่าด้วยการตั้งกัตติกา หลานชายของนางวิสาขามิคารมาตาเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าคุณพระสงฆ์ได้ บัดนี้คุณจงมาบวชเถิดหลานชายของ การเช่นไรเล่าไม่พึงประพฤติธรรมภิกษุทั้งหลายได้ยินนางวิสาขามิคารมาตาตําหนิประณามโพนธนา ว่าด้วยการต้องอาบัติทุกกฎเพราะรับคําเรื่องพระอุปนันทะเข้า เราพึงเข้าจำพรรษาในอาวาส 2 แห่งนี้เมื่อนั้นพระเจ้าประเสริฐโกศลทรงตำหนิประณามโพนทนาว่า ทรงสนับสนุนการงดเว้นจาก พระผู้มีพระภาคทรงตําเหนี่ยการกล่าวเท็จ จะเข้าจําพรรษาแล้วทําให้คลาดจากคําพูดเสียจริง โดยประการต่างๆมิใช่หรือต่างๆมิใช่หรือการกระทําอย่างนี้มิได้ทํา แล้วได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้ากระไรภิกษุ จะเข้าจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นกว่าบริเวณไม่มีกิจจำต้องทำหลีก 1 ในกรณีนี้ภิกษุ แลภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฏเพราะรับคำภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกว่าบริเวณ ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายวันเข้าพรรษาต้นของ 1 ค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้ง พักอยู่ 2 ถึง 3 วันมีกิจจําต้องทําหลีกไปต้องอาบัติทุกกฎเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในทํา จะเสนาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้กว่าปรเวนพักอยู่ 2 3 วันหลีกไป 7 วันภิกษุทั้งหลายวันเข้าพรรษาต้น ภิกษุนั้นไปอาวาสนั้นทำอุโบสถกรรมภายนอก 2 3 วันลีกไป 7 วันภิกษุทั้งหลาย 1 ในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจําพรรษา ภิกษุนั้นจะกลับอารามนั้นหรือไม่ตามภิกษุ ตั้งน้ําฉันน้ําใช้กว่าบริเวณไม่ ถึงวันแรม วันเข้าพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและวันหลีกไปด้วยศาสตาหะ จะเข้าจำพรรษาในวัน 1 ค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กว่าจะ แลภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติเพราะรับคํา ไม่มีกิจจำต้องทำลีกไปในวันนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลายวันเข้าพรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฏเพราะรับคำภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคำไว้ว่าจะเข้าจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังภิกษุนั้นไปอาวาสนั้นทำอุโบสถกรรมภายนอกถึงวันแรม 1 ค่ำไม ตั้งน้ําฉันน้ําใช้กว่าบริเวณมีกิจจําต้องทําเหลิกไป ถึงวันแรม 1 ค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้กว่าบริเวณพักอยู่ ละถึง 2 3 วันมีกิจจําต้องทําลีกวันเข้าพรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฏเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีวันเข้าพรรษาหลัง 3 วันลีกไปด้วยสัตตาหกอยู่ภายนอกพ้น 7 วันภิกษุทั้ง วันเข้าพรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุ เลิกไป 7 วันภิกษุทั้งหลายวันเข้าพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏและภิกษุนั้นไม่อีก 7 วัน 4 เดือนอัน ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นจะกลับมา จะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ตั้งน้ําฉันน้ําใช้กว่าบริเวณไม่มีกิจจําต้อง พักอยู่ 2 3 วันไม่มีกิจกรรม 2 3 วันมีกิจกรรมต้อง 7 วันภิกษุทั้งหลายวันเข้าพรรษาหลังและภิกษุนั้นต้องอาบัติเพราะ 2 3 วัน ลีกไปด้วยสัตตาหกกรณียะกลับมาภายใน 7 ปรากฏและภิกษุ 1 ค่ําจึงเข้า ตั้งน้ำฉันน้ำใช้กว่าบริเวณอีก 7 วันจะครบ 4 119 รวมเรื่องมี 52 เรื่องคือเรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุ เรื่องจองใจเดินผ่านอาวาสเรื่องการเลื่อนการบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวญาติและบุรุษผู้อาศัยอยู่กับภิกษุเป็นไข่เรื่องวิหารสุทโสม เรื่องหมู่บ้านถูกไฟไหม้เรื่องเสนาสนะถูกไฟไหม้เรื่องหมู่บ้าน เรื่องพระราชาหนิมนต์เรื่องพวกโจรหนิมนต์เรื่องพวกนักเลงหนิมนต์เรื่องพบขุมทรัพย์เรื่องทำลายสม 8 วิธีเรื่องเข้าจำพรรษาในข้อโคเรื่องเข้าจำพรรษาในหมู่เกวียนเรื่องเข้าจำพรรษาในเรือเรื่องเข้าจำพรรษาในโรงไม้เรื่องเข้าจำพรรษาบนค่าคบไม้เรื่องเข้าจำพรรษาในที่แจ้งเรื่องภิกษุไม่มีเสนาสนะจำพรรษา เรื่องเข้าจำพรรษาในกระท่อมผีเรื่องเข้าจำพรรษาในร่มเรื่องเข้าจำพรรษาในตุ่มน้ำเรื่องตั้งกติกาไม่เป็นธรรมเรื่องรับคำจะจำพรรษาเรื่องธรรมอุโบสถนอก แล้วเรื่องอีกเจ็ดวันจะครบสี่เดือนเรื่องภิกษุกลับมาไม่กลับมาด้วยสัตตาหกกรณียะเรื่องอีก 7 วัน 4 เดือน 120 ภภาษวิหารว่า เรื่องภิกษุหลายรูปเข้าจําพรรษาในแคว้นโกศลมาเฝ้าพระศาสดาสมัยนั้นพระผู้ พวกเราจะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะ รูปใดบิณฑบาตกลับจากหมู่บ้านที่หลังถ้ามีอาหารที่ รูปใดเห็นหม้อน้ําฉันหม้อน้ําใช้หม้อชําระว่าง ต่อมาภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ทักทายไม่ปราศรัยกันละกันรูปใดบิณฑบาต หากไม่ต้องการก็เททิ้งอย่างที่อันปราศจากของหิวสดหรือเทลงน้ําที่ ย่อมไม่เอ่ยวาจาเพราะเหตุนั้นเลยไม่เอ่ยวาจาเพราะเหตุนั้นเลย 3 เดือนแล้วจึงเก็บเสนาสนะถือบาตร อารามของอนาถบิเนกขะเศรษฐีโดยลำดับแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมพุทธประเพณีอันการที่พระ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือพอร่วมใจกันอยู่ได้หรือพวกเธอเป็นอันหนึ่งพร้อมเพรียงกันร่วม และเป็นทบาทไม่ลำบากพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องตรัสถามก็มีการอันโคนตรัสถามเป็นประโยชน์ไม่ตรัสถามเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงขจัด ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุ 2 ประการคือจะทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกอย่างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระ พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายบรรดาที่นั่ง ถ้าพวกเราจะไม่ทักทายไม่ปราศัยกันละกันรูป ฤๅเทลงน้ําที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นพึงเก็บอาหาร ด้วยอุบายอย่างนี้แลพวกเราจะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ล้างถ่าสําหรับใส่อาหารที่เหลือตั้งน้ําฉันน้ําใช้รูปใดบิณฑบาตกลับจาก แล้วเก็บน้ําดื่มน้ําใช้คว่หอฉันรูปใดเห็นหม้อร่วมใจไม่ และบินทบาตไม่ลำบากพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องเข้าจําพรรษาไม่ผาสุกดังปสุตสัตอยู่ร่วมกันลําดับนั้นพระผู้ ยังยืนยันว่าอยู่เป็นภารสุขทราบว่าโมคคบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่ร่วมกันอย่างแพะยังยืนยันว่า ที่พวกเณรทิถือปฏิบัติกันการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใส ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้จำ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยัตติกรรมวาจาว่าสัพพสังคาหิกายัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์ทรงฟังพึงปวารณาภิกษุผู้เถระพึงห่มอุตรา ท่าน well. 2 กระผมขอ ขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบจัก พึงโหมอุตราสงห์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวกับสงห์อย่างนี้ว่าท่านผู้ กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์โดย <profile. S 2> ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบจากเด็กๆแก้ไขต่อไป เช้านี้เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายนั่งกระโยง ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาค เมื่อบรรดาภิกษุผู้เถระทั้งหลายนั่งกระโยงปวารณาไม่พึงอยู่บนอาสนะรูปใด ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบ